เอางายอย่าซีเรียกเรื่องสมเด็จโตปะทะคารมกับแขกเลี้ยงแพะวันหนึ่งสิทวัดระกังเข้าไปฟ้องสมเด็จว่าหลวงพ่อครับ แขกที่ข้างวัดมันปล่อยให้แพะที่มันเลี้ยงไว้มากินใบโพที่นํามาจากพุทธคยาประเทศอินเดียหมดแล้วสมเด็จท่านลงจากกุฏิแล้วเข้าไปต่อว่าเจ้าแขกคนนั้นแต่ต้องสงบปากสงบคําเมื่อเจ้าแขกมันย้อนว่าอิ น, นี้ต้นโพต้นนี้โคละต้นกับที่พระพุทธเจ้าตรัาสารู้ต้นที่ประทับนางตรัสรู้ อยู่ที่ประเทศอินเดียนู้นในวันต่อมาจับแขกเลี้ยงแพ้ก็เข้าไปฟ้องสมเด็จว่าสิทธิของสมเด็จกลั่นแกล้งโดยนําเนื้อหมูลงไปคลุกในกระทะสมเด็จได้ทีเลยปลอบใจแขกเลี้ยงแพ้ว่าหมูตัวนี้มันคนละตัวกับที่พระเจ้าห้ามเมือนกับตนโพนั่นและ เจ้าแค่เลยไม่กลา้าติดใจเอาความกับสมเด็จอีกต่อไป